นั่นไงเพคะเสด็จพี่สิท ธ, ธัตถะลูกเรานั่งนิ่งเหมือนเข้าสมาธิอยู่ตรงนั้นในขณะที่เด็กชายยืนเดินออกไปเที่ยวเล่นยิงลกตกปาหรือล่าสัตว์กันดําเนินชีวิตยิ่งลูกผู้ชายแต่ว่าสิทธัตถะนี่กลับละทุกอย่างได้ช่างหน้าหนักใจจริงจริงนะประชามดีแล้วสิ่งที่สิทธัตถะทํ ไม่ดีอย่างไรหรือเพคะเสด็จพี่พี่เกรงว่าสิษฐฐานยจะฝักฝ่าแต่เรื่องหาความสงบเสัยนีสนส่จนลืมหน้าที่ของการไปกษัตัิย์ตามที่มีเูื่อเคยทำนายกันนะสิสงสัยต้องหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้หม่อมฉันเห็นเสด็จพ่อสายพระพักเหมือนไม่พอพระไทยอะไร แล้วรีบเสด็จออกไปทันทีมีเรื่องอันใดหรือพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ประชาบดีเท่าที่แม่คาดเดาเสด็จพ่อของลูกคงอยากให้ลูกไปออกกําลังเล่นสนุกกับสหายหรือพญาติที่เป็นพี่หรือน้องชายของลูกมากกว่านะ้สิทธิทธ์ถะลูกจะลองทําตามพระราชประสงค์ของเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะจะออกไปหาพวกเพื่อนเอนเดี๋ยวนี้ทูลลาพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ ก็ดูหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายดีคงไม่มีปัญหาอย่างที่เสด็จที่กังวลพระไทยหรอกนาทรงบรเจริญพระเจ้าค่ะทุกท่านตามสบายเป็นพระกัุณาพระเจ้าค่ะ องเหนือหัวมีรับสั่งเรียกพวกข้าพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องอันใดหรือพระเจ้าข้าข้ามีเรื่องจะปรึกษาท่านอาวุและทุกท่านนะสิถ้าพวกข้าพระพุทธเจ้ามีความสามารถจะถวายความเห็นได้ข้าพระพุทธเจ้าก็ยินดีถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าข้าขอบใจมากทุกท่านทั้งหลายทุกท่านคงจำไปได้ว่าเคยมีบรรดาพราหมณ์และก็มหารุษีทํานายว่าสิทธัตถะลูกชายข้า ถ้าเป็นค า, ารวาสครองเรือนจะได้เป็นจอมจกักรพรรดิีราชผู้ยิ่งใหญ่และเธอเจ้าชายเสด็จออกบรรญชาก็อาจเป็นพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้าได้พระเจ้าค่ะพวกท่านพูดถูกแล้วหรอทีนี้ลงที่ต่อไปสิว่าพ่ออย่างเราเนี่ยย่อมมีความประสงค์อยากให้ลูกชายคนเดียวเป็นอะไรในภายภาคหน้าขอเดชะ ย่อมเป็นกษัตริย์ธิราชเหนือราชาองค์ใดในชมพูทวีปนี้พระเจ้าค่ะก็ถูกอีกเหมือนกันแล้วพุทธกิดว่าข้าควรจะทำอย่างไรดีท่านอุทายิขอเดชะโบราณกล่าวว่าศิษิ์จะสำเร็จได้เพราะมีครูดีบางทีน่าจะทรงหาพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญศิลปะวิทยามาสั่งสอนให้ความรู้แก่พระราชโอรส ในทุกๆด้านที่พระกุมารสมควรรู้พระเจ้าค่ะอย่างเช่นมหาฤาษีกาลาเทวินดาบทใช่ไหมท่านกาลาเทวินมหาฤาสีแม้จะมีความรู้มากมายแต่ก็ฝักใฝ่ในทางธรรมมากกว่าพระเจ้าค่ะนั่นสินะข้ายังอยากให้สิทธิธาหลีกเลี่ยงทางนี้อยู่ด้วยขอเดชะ ย, ยังมีอีกท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญทั้งทางโลกและทางธรรม ท่นคือท่าน Й ายโยคีวิศวามิตรพระจาค่ะโยคีวิศวามิตรอ๋อจริงสินนะจงให้ไคยไปเชิญมหาคาเดี๋ยวนี้ท่านอุทัยรับโดยกล่าวพระเจ้าค่ะ อ น, อนนท์นันทะและพวกค เ, เพื่อนทั้งหลายกําลังจะเตรียมตัวไปไหนกันเลยเนี่ยหม่อมฉันกําลังจะออกไปล่าสัตว์กันนะเจ้าพี่จะเสด็จไปด้วยกันไหมหม่อมฉันจะได้ให้มาหาดเล็กเตรียมมากันทะกับให้ไปล่าสัตว์เพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทําให้ได้รับบาดเจ็บทุกทรมานพี่คงไม่ไปทรงกลัวเสือหรือย่างไรพระเจ้าคะ่ะผิดแล้วนันทะเราไม่ได้กลัวเสือเพราะเชื่อว่าพวกท่านคงไม่กล้าไปล่าเสือหรือสัตว์ใหญ่แต่คงไปล่าแค่กระต่าย นกหนูหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ไม่มีทางสู้เท่านั้นจริงไหมเออพวกเราไปกันดีกว่าไปไปพวกแล้วทำไมการออกไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถึงเป็นเรื่องสนุกสนานไปได้และการออกไปล่าสัตว์ตัวเล็กๆที่ไม่มีทางสู้เช่นนกหนูและกระต่าย ต้องถืออาวุธครบมือและมีฆ่าทหารติดตามอรารักขามากมายนี่หรือคือกีฬาของลูกผู้ชายที่เดชพ่อมีพระประสงค์จะให้เราทำเอ๊ะนั่นนกน้อยสีขาวต้องเกาทันธนูของผู้ใดนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่นี่เห็นแล้วจันน่าเวทนาข้าค่อยๆดึงลูกศร อ, ออกมาและขออธิษฐานว่า หากเจ้าและข้ามีบุญกรรมที่เคยอุปถรัมภ์ร่วมกันแล้วไซขอเจ้าจงฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่เถิดเจ้านกน้อยอ่าเจ้าฟื้นแล้วใครหนอช่างใจร้ายยิงธนูใส่ร่างอลไของเจ้าได้เฮ้นัลูกสอนองข้าเสถทยรเทวทัตท่านเองหรือนี่น ใช่นะเสถ้าเปคนยิงนกตัวนี้ตกลงมาลกจึงเป็นสิทของข้าเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ถ้าข้าจะปล่อยมันบินไปไม่ยอมข้าก็จะยิงมันให้ตกลงมาใหม่เพราะยังไงยังไงมันก็ต้องเป็นของข้าเสียใจด้วยนะเทวทัตข้าไม่ใหง้งั้นข้าจะไปฟ้องต่อสภาแห่งรัฐว่าเจ้าชายสิทธัตถ์บังอาจแย่งสบัติ์ของข้า เทวทัตผู้เป็นราชาคดูและดูสิว่าสภากรุงกบิลพัทจะตัดสินยังไงสภาที่ข้าดำรงหน้าที่เป็นประธานย่อมตัดสินข้อดีความด้วยความยุติธรรมไม่เห็นกับผู้ใดเสมอแต่ก่อนจะพิจารณาขอให้เจ้าชายเทวทัตออกมาอธิบายแสดงเหตุผลเหตุและผลที่สมควร จะเป็นเจ้าของนลกตัวนี้เป็นพระกรุณาพระเจ้าเสด็จลุงสุดทนนะหม่อมชันผู้เป็นหลานขอแถลงการต่สภาวา่าพระเจ้าเทวทัตผู้เป็นราชรสในกษัตริย์กุริยบุงร่นาว่าพระเจ้าสุปปุทธาได้มาเป็นอาคาตุกะแห่งกรุงกัมเรีภัตนี้เมื่อมีเวลาวา่าก็ถือธนูออกมาเล่น ก, กีฬาแห่งราชช ทดลองความแม่นยำโดยมีเจ้านกน้อยนั่นเป็นเป้าแล้วเมื่อยิงธนูออกไปทุกนกตกลงมามันย่อมเป็นสบัิของขา้าตามกฎกติก า, กกาของเกมกีฬาใช่หรือไม่ที่เจ้าชายเทวทัตตร์ก็มีเหตุผลนะนกควรจะเป็นของคนยิงมากกว่าผู้ใดเอ๊ <c oughs> แล้วเจ้าชายเศรษฐาจะทรงมีเหตุผลอะไรามาหักล้างได้บ้างหรือเนี่ยนับว่าเป็นคํำแถลงที่ดีหลานชายแต่เราจะฟังความข้างเดียวไม่ได้สิท ธ, ธัรรมเจ้ามีเหตุผลใดที่อ้างว่าเป็นเจ้าของลูกตัวนี้พระเจ้าค่ะท่านประธานสภาและสมาชิกอันทรงเกียรติทั้งหลายเข้าพระเจ้าเศรษถะโอรสพระเจ้าสุโธทนะแห่งศักยะวงศ์ คงมีเหตุผลอยู่สองประการคือข้อแรกชีวิตของนกตัวนี้ย่อมมีชีวิตเป็นของตัวมันเองไม่ใช่ของผู้ใดและข้อที่2ถึงจะเป็นชีวิตของสัตว์เล็กเช่นนกแต่ก็เป็นชีวิตที่มีคุณค่ารู้จักเจ็บปวดและตายและยังเป็นชีวิตที่มีความหมายต่อรูปเมียที่รอคอยอยู่เบื้องหลัง ใช่ใช่ฟังดูกั น, นับว่ามีเหตุผลเหมือนกันนะนั่นแะซีเราจะตัดสินยังไงดีเดียวเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงเป็นองค์รัชทายาทเมืองเราแต่เจ้าชายเทวทัตก็ทรงเป็นพระอาคันตุกะเออนั่นนะที่เราต้องให้เกียรติและเกรงใจเหมือนกันนะตัดสินมาได้แล้วว่านกตัวนี้ต้องเป็นของข้าของข้าเทวทัตเท่านั้น แค่นกตัวเดียวไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ยกให้เจ้าชายเทวทัตไปก็หมดปัญหาจริงไหมชั้นนะแต่เจ้าชาสินทธะของเราทรงมีพระเมตตายิง่งทรงทราบว่าเจ้าชายเทวทัตจะทรงนำนกน้อยไปเข็นฆ่าก็ยิ่งจะต้องทรงช่วยให้ได้คุณท้าโสภาพี่วิชายาจะรีบไปไหนกันด้วยนี่เอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเรารีบมาคอยฟังคำตัดสินจากสภาแห่งรัฐนสิ <c oughs> ไม่รู้ป่านนี้ผลจะเป็นประการใดยังไม่ตัดสินเลยพี่วิชายาแต่ข้าแปลกใจว่าทำไมป่านนี้พี่ถึงยังไม่หายป่วยจากการไอเลื้อหลังสักทีข้าได้ยินพี่ไอมานานนับปีแล้วนะนี่จริงอย่างที่ฉันนะว่าพี่วิชายาไอจนพายผอมมากแล้วรู้ไหมอย่าสนใจพี่ดีกว่าการุทายีพวกเจ้าคิดว่าเจ้าชายศิท ธ, ธาของเรา จะพอมีทางชนะคดีนี้ไหมสงสัยจะยากอยู่นะข้าว่าสภาเมืองต้องเอ็นเอียงหรือออกเสียงเพราะเกรงใจทางอาคัรดุกะมากกว่างั้นเจ้าชายก็ต้องทรงเป็นสายพ่ายแพ้และสิทั้งทั้งที่ทรงมีพระเมตตาแต่ก็คงจะช่วยอะไรเจ้านกน้อยตัวนั้นไม่ได้สงสัยจะกลายเป็นพระรยาหารของเจ้าชายเทวทัตในวันนี้ เป็นพระกระไอาหารก็ยังดีเกรงว่าจะทรงออกไปยิงเล่นให้ตายหรือทรมานจนหน่อพระทัยนะสิ เวลานี้เสียงในสภาเมืองของเราแบ่งออกเป็นสองฝ่ายค่อนข้างกังก้มกคือฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกันกันกบเทวทัตว่านกควรจะเป็นคนเข้าแต่ฝ่ายก็เห็นด้วยกับสิท ธ, ธิฐานลูกของเราทำให้ตัวข้าสุดทธนาพูดเป็นบิดาไม่รู้ว่าจะตัดสินประการใดเอ๊เอเอนัน่มีแสงสว่างวาบตรงทางเข้าและปรากฏร่างโยคีคนหนึ่งตรงเข้ามา เจริญพรมหาบอภิษฐอาตมาคือวิศวามิตรนั่นวิศวามิตรโยคีผู้เรียงวิชาโอ้ยได้ยินว่าท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาสภาเรานี่นั้นสินะขออภัยที่อาตามาพาพมาชา้าไม่รอท่านอาจารย์นับว่าท่านมาได้เวลาพอดีเลยข้าพเจ้ากับสมาชิกสภาเมืองก็ลัมเรื่องหนักใจเพราะว่า ไม่ต้องส่งเล่ารอกมหาบพิษอาตมารู้และเห็นถึงความเป็นไปจึงได้เดินทางเข้ามาที่แห่งนี้ท่านอาจารย์รู้เรื่องนี้ก็ดีแล้วถา้าพระเจ้าจะขอท่านท่านอาจารย์โปรดช่วยพิจารณาตัดสินคดีท่านจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างการจะตัดสิน ต้องได้รับคำยินยอมและเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายข้าเทวทัต ย, ยอมรับได้ข้าพเจ้าสิทธั ต, ตถะก็ขอน้อมรับคำตัดสินจากท่านโยคีงั้นก็ไม่มีปัญหาเจ้าชายเทวทัตเป็นผู้ที่ยิงนกได้นกก็เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าชชยไหมยุติธรรมจริงจริงท่านโยคี ฟังอาตมาพูดให้จบก่อนค่อยชมก็มิสาย <c oughs> เจ้าชายยิงนกได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายชีวิตของนกนี้ส่วนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงช่วยเหลือนกให้รอดตายก็เหมือนผู้ให้ชีวิตแกนกเปรียบเช่นบิดาให้ชีวิตแกบุตรผู้ทําลายกับผู้ให้ ใครควรเป็นเจ้าของอาตมาเชื่อว่าทุกคนคงจะตรองและตัดสินได้ฮะดูนั่นสิเจ้าชายเทวทัตตรัดไม่ออกถึงกับสบัดพระพักตร์เสด็จออกจากห้องประชุมสภาทันทีเอ้ยงั้นเรื่องนี้ก็หมดปัญหาใช่นกเป็นของเจ้าชายทธรษฐาผู้ทรงมีพระมีตาทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ เป็นอะไรอะเทวทัไหนว่าจะยอมรับคําตัดสินของโยขีวิศวามิตรได้แล้วทําไมถึงได้มีอาการฉุนเฉียวเช่นนี้คําตัดสินปา้าๆทำ ใ, ให้กระหืดปิดใจนะเสด็จพ่อเอาไปอยางต่อรดต่อถี่นก็คนแก่นั่นก็แกเสียนกตัวเดียวเท่านั้นไม่น่าจะมีปัญหาเสียนกไม่เท่าไรแต่ว่าขาเจ็บใจที่เสียหนา้าแล้วก็เสียท่าต่อสิทธทัตที่อ่อนแอข่าทํางของพวกเด็กขี้แพ้ ไม่กล้าแม้แต่จับมีดจับไม้ฮ่าไปดูเถอะถ้าข้าเทวทัตไปโอกาสเมื่อไรหรแล้วบอกเจ้าจะทำอะไรล่ะเทวทัตยอย่าลืมนะว่าคุณกับิลพัฒน์แห่งสายาวงกับโกรยวงของเรามีไมตรีต่อกันมายาวนานนะเรื่องนี้ข้ารู้ดีแต่ข้าขอปฏิญาณไม่นะที่นี้ว่าข้าเทวทัต จะต้องมีวันญาชนะสิทธทัทัทเพื่อเรียกร้องศักศีคึืนมาไม่วันใดก็วันหนึ่งให้จงได้ พระเจ้าค่ะมหาเล็กนารับสั่งไปแจ้งว่าทรงให้หาขา้าพระพุทธเจ้าอุทายถูกแล้วท่านอาหัดเพราะเรามีเรื่องอยากจะปรึกษาแต่ก็เกรงว่าจะเป็นการเอื้องเกินไปรับสั่งมาได้เลยพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะเก็บนาเป็นความลับไว้ก็เรื่องที่เราเคยไม่สบายใจเกี่ยวกับสิทธาธรรนะสิ เวลานี้ท่านโยคียวิศวมิตรเป็นอาจารย์สอนศส้นปวิทยาและก็แจ้งว่าสิทธธรรมมีความเฉลิมฉลาดเลิศล้ำในวิทยาการรู้ทุกสิ่งที่ท่านสอนและก็รู้แจ้งในบางเรื่องที่ไม่ได้สอนอย่างน่าสุดจัดนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือพระเจ้าค่ะจะดีได้อย่างไรถ้าเป็นการรู้ที่ได้ยานจากการบําเพ็ญฌานสมาธินาเรายิงเกรงว่าสิทธธรจะละทางโลกสู่ทางธรรม ข้าพระพุทธเจ้าจะนำกาลุทายีบุตรชายของข้าพระพุทธเจ้าเข้ามาถวายตัวเป็นมหาเล็กกรับใช้ถึงแม้ว่ากาลุทายีจะเกิดร่วมสาชาติในวันและเวลาเดียวกับเจ้าชายแต่ร่างกายก็เติบใหญ่เป็นหนุ่มวัยและจิตใจก็ฝักใฝ่ในทางโลกี บางทีอาจชักชวนเจ้าชายให้ดำเนินตามในฐานะพระสหายก็ได้พระเจค่ะอ้ได้เลยท่านมาเราตกลงตามนี้ยังมีอีกประการพระโจค่ะข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเจ้าชายควรจะได้ทอดพระเนตรแต่สิ่งสวยงามเพื่อความเจริญตาเจริญใจไม่ควรให้ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บ หรือคนตายภายในพระราชวังนี้เพราะอาจจะทำให้ทรงเกิดความเวทนาหรือเกิดปริศนาธรรมขึ้นมาได้พระเจ้าค่ะจริงอย่างที่ท่านว่านะมหาเล็กเข้ามาหนิถวายมังคมพระเจ้าค่ะเจ้าไปเรียกตัวุณทาสโสภาและนางกำนันวิชยามหาราดีนี้รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะ ถึงจะมีรับสั่งให้หาสงสัยว่าจะมีราบใหญ่แล้วล่ะไม่วิชยาขอให้เป็นอย่างที่คุณทาว่าเถอะเจ้าค่ะหล่อนนี่ก็ปล่อยให้ตัวเองไออยู่ได้ไม่รู้จักรักษาให้หายสักทีใครจะไม่อยากหายวันนี้พรุ่งนี้บ้างล่ะเจ้าค่ะคุณทาวไม่ป่วยบ้างแล้วไป พูดอย่างนี้มันแช่งกันหรือยังไงฮะคนอย่างฉันเนี่ยนะอยู่มาเจ็ดสิบกว่าปีรู้ระวังรักษาตัวดีไม่เจ็บไม่ไข้ถึงได้แข็งแรงกว่าสาวๆยังหร่นยังไงละ่ะ <c oughs> โอ้ยนี่ น, นี่ถึงหน้าพระตำหนักองค์เหนือหัวแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าจะมีรับสั่งเรียกรว า, ามาด้วยเรื่องอันใดนี่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็แล้วกัน แล้วคุณท้าวแล้วเจ้าคะคนอย่างชัดน่ะรับรองว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วละแมบวิชยา <c oughs> น, นี่เร็วกว่าเถอรีบกับฝ่าองเหนือหัวสุดโทธนะเดี๋ยวนี้เลย